วันนี้เป็นวันอัคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญทางราชการจึงกำหนดเป็นวันหยุดทำงานอย่างวัน ญาติโยมชาวพุทธเราก็เลยมีโอกาสได้มาวัดมาทำบุญกันเพิ่มอีกหนึ่งวันสำหรับชาวพุทธเราเราจะเรียกวันหยุดเหล่านี้ว่าวันกำไรบุญเพราะว่าถ้าไม่มีวันหยุดเหล่านี้เราก็ต้องไปทำงานกัน เมื่อไปทํางานเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําบุญกันนั่นเองวันนี้จึงถือว่าเป็นวันกําไรบุญเพราะญาติโยมได้มีเวลามาทําบุญกันนั่นเองและบุญนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งพาเราไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ต่อไป ร่างกายนี้จะต้องตายไปตอนนั้นเราคือใจก็จะต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งแทนถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราไม่ทำบุญหรือเราทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาที่ร่างกายตายไปบาปจะมา เป็นผูให้ผลกับเราก่อนที่จะบุญจะมีโอกาสได้มาให้ผลกับเราตอนนั้นถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาให้เราไปตกทุกข์ระกําบากไปเกิดในภพในชาติที่เราไม่ต้องการจะไปกันดังนั้นการมีโอกาสมีเวลา ได้ทำบุญจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญกันบุญที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในวันทำบุญนี้ ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่เองเพราะว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเรื่องที่เราเคยได้ยินมาแล้วพอเราได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดและห้าจะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขเลยนี่คืออนิสงส ที่จะเกิดจากการฟังธรรมแต่การฟังธรรมนี้ก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงถึงจะได้อานิสงส์ถ้าฟังแบบทัพพียในหม้อแกงจะไม่ได้อานิสงส์เหมือนกับทัพพีถึงแม้จะแช่อยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็ตาม ทัาผีจะไม่รู้รสของแกงเลยแต่ถ้าลิ้นนี้พอได้สัมผัสกับรสของแกงเพียงหยดสองหยดก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรสอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันการฟังธรรมนี้ทำให้เกิดผลขึ้นมาก็ได้ หรือทำให้ไม่เกิดผลขึ้นมาก็ได้อยู่ที่วิธีการฟังธรรมของผู้ฟังว่าฟังแบบไหนถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆหรือนอนหรือยืนก็ได้ ถ้าเราไม่สามารถนั่งได้เราไม่สบายเราต้องนอนฟังทำก็นอนฟังได้หรือถ้าเราไม่สะดวกต้องยืนฟังก็ฟังได้ข้อสำคัญขออย่าให้ร่างกายไปทำอะไรก็แล้วกันให้อยู่เฉยๆกายต้องสงบและวาจาก็ต้องสงบคือไม่ต้องคุยกัน เพราะการคุยกันก็จะทำให้จิตทำงานไปกับการคุยกันก็จะไม่ได้มาฟังธรรมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเวลาฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กายวาจาต้องสงบและใจก็ต้องสงบใจก็คือไม่ให้คิดอะไรให้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูเท่านั้น พิจารณาตามกับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาได้รู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เราเคยรู้แล้วพอได้รู้อีกก็จะทำใหเ้เข้าใจอย่างถูกต้องและจะทำให้ ความสงสัยต่างๆหมดไปได้พวกเรามีความสงสัยกันคือเรื่องของการตายและการเกิดนี่เองว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วเราจะไปไหนกันอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะไม่รู้กันว่าตายแล้วเราจะไปไหนกัน คนที่ไม่ฟังธรรมนี้ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็ศูนย์คือร่างกายตายแล้วร่างกายจะไปไหนต่อก็ไปที่สุสานเท่านั้นเองไปที่เมนแล้วก็ถูกชาปนกิจกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปหรือถ้าเอาไปฝังในสุสาน ก็กลายเป็นดินไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกนี่คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือได้มาฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าผู้ที่ตายนี้เป็น เป็นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเป็นผู้รับใช้ใเราเรานี้คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปสู่พบต่อไปพบต่อไปที่เราจะไปเกิดนี่เราสามารถเลือกได้เหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด เราสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้จะไปเหนือสุดก็ได้จะไปใต้สุดก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันดวงวิญญาณของเรานี้จะไปสู่สุขคติก็ได้จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวที่เราตีกัน ก่อนจะขึ้นรถโดยสารหรือก่อนจะขึ้นเครื่องเราต้องไปจองตั๋วก่อนเราต้องการไปประเทศไหนเราก็ไปจองตั๋วซื้อเครื่องที่จะบินไปที่ประเทศที่เราต้องการจะไปถ้าเป็นรถโดยสารเราก็เลือกรถที่จะพาเราไปที่จังหวัดที่เราต้องการจะไปฉันใด เวลาตายไปแล้วเราไปไหนต่อนี้เราเลือกได้ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราสามารถเลือกพพของเราได้พบต่อไปจะให้เป็นพพที่ดีก็ได้จะให้เป็นพทนพที่ไม่ดีก็ได้ภพข้างหน้านี้อนาคตนี้อยู่ภายใต้กำมือของเรา เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้สำหรับอนาคตของเราส่วนปัจจุบันนี้มันได้ถูกกำหนดโดยอดีตของเราอดีตของเราเคยทำอะไรไว้มันก็จะเป็นผู้ส่งให้เรามาเป็นอะไรต่างๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ แต่อนาคตนี้ของเหล่านี้เรามีโอกาสที่จะกำหนดได้เพราะเราโชคดีได้มาเจอหมอดูที่เก่งที่ฉลาดก็คือพระพุทธเจ้าพนเราเวลาอยากจะรู้อนาคตกันเราทำยังไงกันเรามักจะไปหาหมอดูกันใช่ไหมหาหมอดูคนไหนเก่งๆว่า จะรวยลืืโจนจะสุขหรือทุกข์จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเราก็มักจะไปหาหมอดูกันแล้วพอรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่ดีหมอดูก็จะมีวิธีแก้ให้เราหมอดูก็บอกว่าไปทำบุญสวยสังฆทาน ถ้าหมอดูโฮงช่วยก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนประตูบ้านเปลี่ยนหน้าต่างให้ย้ายทิศของห้องนอนห้องน้ำแล้วแต่ศาสตร์ของแต่ละหมอที่จะมาบอกเราให้เราปรับอนาคตของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการกันแต่สำหรับหมอดูคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวบกนี่ ท่านดูเรื่องอนาคตที่เกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วท่านสามารถที่จะบอกให้เราปรับทิศทางไปในทิศทางต่างๆได้ท่านจะทำนายชะตาให้เราได้ถ้าท่านดูพฤติกรรมของเราถ้าท่านเห็นว่าเรากำลังทำบาปมากกว่าทำบุญ ท่านก็บอกว่าจะต้องไปทุกขติต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็จะไปนรกอันนี้พระพุทธเจ้าจะทํานายจะบอกพวกเราอย่างชัดเจนอาคตของเราหลังจากที่ร่างกายแล้วตายไปแล้วเราจะไปไหนกันถ้าทําบาปด้วยสี่อคตินี้ก็จะไปสี่อาบายอาบายทั้งสี่อาบายทําไมถึงแยกไปเป็นอย่างรัก คนละอย่างกันก็เพราะว่าเหตุที่พาให้ทำบาปมันต่างกันนั่นเองทำบาปด้วยความไม่เชื่อด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลต่อการกระทาของเราตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากมีอานาจมีวาสนา ก็ต้องทำด้วยการทำบาปก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวกลัว ส, สิ่งสิ่งสิ่งต่างๆนานาจะมาทำร้ายก็เลยกาจัดสิ่งต่างๆด้วยการกระทำบาปก็จะไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตายไปก็ต้องไปนรกนี่ คือถ้าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในขณะนี้ก็ขอให้รู้ไว้ตั้งแต่บัดนี้ว่ากำลังตีตัวไปอบายกันแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ชอบทำบาปพยายามลา บ, บาปอยู่เรื่อยๆพยายามฝืนการทำบาปแล้วก็ทำบุญอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าก็จะทำนายว่าตายไป ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพต่างๆซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกันมีชั้นดาวดึ ง, ช, งาาชั้นอะไรต่างๆกามาวจรชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้ชั้นดุสิตชั้นปารณิมมีอยู่หกชั้นด้วยกันมีความสุข ต่างกันไปตามกาลังของบุญที่ได้ทํากันทําบุญมากก็ได้เกิดสู่ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงที่มีความสุขมากทําบุญน้อยก็จะเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นต่าที่มีความสุขน้อยแต่อย่างน้อยก็มีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์มนุษย์นี้มีความสุขไม่เท่ากับพวกของเทวดา เพราะการเป็นมนุษย์นี้เกิดจากการไม่ได้ทำบาปหรือไม่ได้ทำบุญนั่นเองหรือทำบุญกับทำบาปประมาณเท่าๆกันบุญก็ทำบ้างบาปก็ทำบ้างแต่พอมาบวกลบ ก, กันแล้ว เ, เท่ากันคือศูนย์ตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดในอบายไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาใดที่จิตใจเหลือบุญกับบาปเท่ากันเวลานั้นจิตใจหรือดวงวิญญาณก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์นเช่นถ้าตอนนี้ทําบาปมากกว่าทําบุญเวลาตายไปบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายพอได้ใช้ผลบาปไปจน บาปลดลงมาเท่ากับบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับถ้าทําบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์พอได้รับผลบุญใช้ผลบุญไปแล้วพอบุญลดมาเท่ากับบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ใหม่นถ้าเป็นพวกที่ชอบไปวัดชอบถือศีลชอบไปบวชนพวกนี้ก็จะไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิเข้าฌานระดับต่างๆมีสองระดับ คือระดับรูปฌานกับอรูปฌานถ้าได้รูปฌานเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นรูปประพรมถ้าได้อรูปฌปานดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้ น, นอรูปประพรมที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีความสุข มากที่สุดในไตพบในสังสารวัตรอันนี้ก็เป็นที่ไปของอีกพวกหนึ่งพวกที่ชอบบวชกันชอบถือศีลแปดชอบฝึกสมาธิชอบไหว้พระสวดมนต์ทาใจให้สงบ พวกนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพและชั้นพรหมถ้าชั้นเทพก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมซึ่งในใต้ภพนี้ก็เถือว่าเป็นภพที่สูงสุดคืออรูปภพกับรูปภพพวกเทวดาพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกเปร์นี้อยู่ในกามภพเพราะยังแสวงหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่พวกนี้ยังไม่ได้ถือศีลของนักบวชกันยังไม่มีกำลังพอที่จะไปถือศีลแปะไปหยุดการเสพกามกันก็เลยติดอยู่ในการมาพบพบที่มีความสุขน้อยกว่าพบของ รูปภพกับอรูปภพนะแต่ยังมีภพที่เหนือกว่าภพของรูปภพอรูปภพอยู่เรียกว่าภพของพระอริยะบุคคลภพของพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคารามีพระอรหันต์จะได้พบ ที่อยู่ในระดับของโล ก, กุตตะธรรมคือเป็นภพที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อมไม่เหมือนกับภพบต่างๆที่ได้ในในสังสารวัฏในไตรภพได้ได้อรูปภพเมื่อใช้บุญหมดก็เลื่อนลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็เลื่อนลงมาสู่เทวภพ อยากเทวภพก็เดินกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ถ้ากลับมาทำบุญไม่ได้ทำบาปพวกที่กลับมาจากอบายพอมาเกิดก็กลับมาทำบาปใหม่พอตายไปก็กลับไปเกิดในอบายใหม่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้อยู่ แต่พวกที่ได้เป็นพระอาริยบุคคล น, นี้จะตัดจํานวนของภพชาติให้เหลือน้อยลงไปจนไม่มีภพชาติเหลืออีกต่อไปเช่นพระโสดาบันนี้ก็จะสามารถลดจํานวนของการมาเกิดในกามาพบให้เหลือไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากเพอะพระโสดาบันนี้ ยังเสพกามอยู่ยังหาความสุขจากการมีคู่ครองอยู่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ก็ยังติดอยู่ในกามะพบแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะหลุดออกจากกามะพบได้พะจะเลื่อนขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือขั้นพระสกิดาคามีพระอนาคามี ผู้ที่ได้ตัดการเสพการให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดเนี่ยสกิดาคามีนี่ท่านบอกว่าทำการมกามักตัณหาคือความอยากเสพการให้เบาบางลงก็จะทำให้ท่านจะกลับมาเกิดในกรรมมาพบ ไม่เกินหนึ่งชาติหรืออีกชาติเดียวท่านก็สามารถที่จะตัดความอยากในกามได้หมดส่วนพระอนาคามีนี้ท่านตัดได้หมดแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดในกามมาพบอีกต่อไปแต่ท่านยังไปติดอยู่ในรูปภพกับอารููปภพอยู่พบของพรหมอยู่ท่านก็ต้อง ตัดความอยากที่จะเสพความสุขจากรูปฌปานกับอารูปฌานที่เป็นเหตุที่พาให้ท่านกลับมาเกิดในรูปภพและอรูปภพนพอท่านตัดได้ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตพภพอีกต่อไปท่านพอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไปอยู่ที่พระนิพพานแทนพระนิพพานนี้คืออยู่นอก ไต่พบไต่พบนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคุกตารางที่ขังสัตว์โลกอย่างพวกเรานี่ให้ติดอยู่ไม่ไม่ให้หลุดออกจากไต่พบให้ติดอยู่ในคุกตารางไปเพียงแต่ให้เปลี่ยนแดนถ้าทำความดีก็ย้ายไปอยู่แดนที่มีโทษน้อยมีความทุกข์น้อย ถ้าทำบาปทำความไม่ดีก็จะถูกย้ายไปอยู่ในแดนที่มีโทษมากแต่ก็ยังต้องติดคุกเพราะยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆคุกของพวกเราคุกของไต้ภพนี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วย และด้านหนึ่งก็เรียกว่าตายนี่คือกำแพงของไตรภพกำแพงที่จะกักขังด ว, วงวิญญาณของพวกเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด ว, วงวิญญาณจะออกจากไตรภพไปไม่ได้จะต้องติดอยู่ในไตรภพไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้รู้วิธีทำให้ ดวงวิญญาณนี้หลุดออกจากตายพบได้รู้วิธีที่จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่พระนิพพานได้นะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปค้นพบทางหรือวิธีที่จะพาดวงวิญญาณให้ออกจากตายพบไปพอมีพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระองค์ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ก็จะมีผู้ที่สามารถน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้พอได้ปฏิบัติก็จะสามารถหลุดออกจากตายภพได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดออกไปก็จะมาช่วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้อื่นต่อไปนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวมีหน้าที่บอกทางให้เราหลุดออกจากกองทุกข์ของสังสารวัฏของตายภพของการเวียนว่ายตายเกิดของคุกตารางของแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะออกจากตายภพนี้ไปได้ดังนั้น ใครก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วสามารถน้อมเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถพาดวงวิญญาณให้ออกจากไตรภพให้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้และจะเป็นกันอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้ถึงจะพาให้เราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นะ ภพนี้ชาตินี้เป็นภพที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเราจะเรียกว่าเป็นภพที่มงคลที่สุดในบรรดาภพต่างๆที่เราได้มาเกิดก็ได้เพราะว่าเป็นภพที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะมีทุกครั้งไปที่เรามาเกิดในภพของมนุษย์ แล้วจะพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเสมอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันนี้ของพระพุทธเจ้าองค์นี้จะอยู่ได้ในโลกนี้ไปไม่เกินห้าพันปีเท่านั้นตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วสองันห้าร้อยกับหกสิบสองปีพอถึงห้าพันปีเมื่อไหร่ พระพุทธศาสนาก็จะหายไปหมดตอนนี้ก็ค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วหายส่วนที่ยากไปส่วนที่ง่ายยังอยู่การปฏิบัติของศาสนาพุทธนี้มีระดับจากง่ายไปหายากระดับยากนี้ผู้คนที่จะปฏิบัติตามก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ หรือแต่ระดับง่ายระดับง่ายคืออะไรก็ระดับทําบุญทําทานนี่เองระดับทําบุญทําทานอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากที่จะพาดวงวิญญาณให้ออกจากคุกตรางแข่งการเกิดแก่เจ็บตายต้องมันทําบุญทําทาน เอาเงินที่จะไปใช้ในการสร้างคุกสร้างตารางคือเอาเงินที่ไปใช้ตามความอยากต่างๆเพื่อเสพความสุขต่างๆอันนี้เป็นการไปสร้างพบสร้างชาติกันทุกครั้งที่เรา เ, าเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูภาพปยนตร์ไปฟังเพลงไปดูละคร ไปดูระบำดูอะไรต่างๆการกระทำตามความอยากเหล่านี้เป็นการตีตัวให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ถ้าเราเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญทำทานเป็นการไปตีตัวไปพระนิพพานกันเพราะเราจะไม่ใช้เงินซื้อความสุข ที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเราเอาเงินไปซื้อความสุขที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันการทำบุญก็มีความได้ความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่ดีวกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันไปดูมหรศพบันเทิงต่างๆกันไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการมาคุณการมาคุณก็คือสิ่งที่จะพาให้เรากลับมาเกิดในการมมาพบนั่นเอง ต, ตอนนี้ที่เรามากลายเป็นมนุษย์กันเพราะเราติดการมาคุณกันเรายังอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราลดการเสบให้น้อยลงโดยการเอาเงินที่เราจะไป เที่ยวกันนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้เอามาซื้อความสุขจากการทําบุญทําทานการทําบุญก็ทำให้เรามีความสุขได้ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการซื้อกามมาสุขเพราะเป็นความสุขที่อิ่มทาบุญแล้วจะมีความรู้สึกอิ่ม ความผิวในรูปเสียงกลิ่นรสจะลดน้อยลงถ้าเราทำบ่อยๆทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเช่นปีใหม่นี้ห้าวันวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนน้องเปลี่ยนแผนดูไปเที่ยวเาไปหาวัดอยู่สักห้าวันไปทำบุญที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่อไปความคิดอยากจะเที่ยวจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนหมดไป เพาการทําบุญนี้ทําให้เราอิ่มใจสุขใจนั่นเองนี้เป็นขั้นแรกขั้นที่ง่ายสําหรับในบรรดาทัเปรียบเทียบกับขั้นขั้นที่ต้องปฏิบัติสูงขึ้นไปขั้นแรกนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ง่ายขั้นนี้จึะมีคนทํากันมากถ้าเปรียบเทียบกับขั้นที่สองและขั้นที่สามนี่หรือขั้นที่สี่นี่จะน้อย ลงไปตามแล้วจะมากกว่าขั้นที่สองคือขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลห้าขั้นรักษาศีลแปดเนี่ยคนจะน้อยกว่าคนที่ทำบุญกันคนที่ทำบุญนี่มันง่ายเพียงเสียสละบอยจากเงินทองที่มีอยู่ไปก็ถือว่าได้ทำแล้วบอยจากเงินสร้างวัดกัน อย่างพวกเราคิดว่าเรากำลังรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวตุต่างๆแต่ความจริงนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวของพระพุทธศาสนาเลยเป็นเพียงเปลือกของศาสนาหรือเป็นก็ เ, เรียกว่าเป็นส่วนที่สนับสนุนเท่านั้นเองผู้สนับสนุน แต่ไม่ได้เป็นตัวศาสนาตัวศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุแต่อยู่ที่ทำที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาในใจอันนี้จะทำให้ทมเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องปฏิบัติขั้นที่ที่ยากขึ้นก็คือต้องรักษาศีลต้องหัดรักษาศีลกันรักษาศีลห้ากันก่อน รักษาศีลห้าได้แล้วก็ไปรักษาศีลแปดต่อรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปฝึกสมาธิได้ไปนั่งฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ขั้นเหล่านี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นที่ง่ายคือขั้นทำบุญตอนนี้มีถาวรวัตถุกันเยอะ มีวัดสวยๆงามๆเต็มไปหมดมีที่ไหนมีภูเขาที่นั่นมักจะมีเจดีโผล่ขึ้นมามีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะคิดว่านั่นคือพระพุทธศาสนาแต่ตัวพระพุทธศาสนานี้วัดได้ด้วยอะไรก็วัดได้ด้วยพระอริยบุคคลนี่แหละนี่แหละคือผลของ การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลสี่ขั้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอาราหันต์อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นตัวศาสนาเป็นตัวธรรมเพราะตัวนี้แหละพระอริยบุคคลนี่แหละเป็นผู้ที่จะ รักษาพระพุทธศ า, าสนาให้อยู่ต่อไปได้เพราะจะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่สนใจอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอาศัยพระอริยะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ สั่งผู้สอนนั่นเองถึงจะทําทให้มีศาสนาอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าศาสนาไม่มีพระอริยะบุคคลไม่มีใครศึกษาธรรมะไม่มีใครปฏิบัติธรรมศาสนาก็จะเป็นศาสนาวัตถุไปจะมีแต่วัตถุจะมีวัดเต็มไปหมดแต่วัดนี้ไม่สามารถสอนให้ผู้ที่อยากจะ หลุดพ้นจากไตพยภหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปกราบพระในโบสถ์กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่สามารถที่จะรู้วิธีที่จะพาให้ออกจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องมีพระเป็นพระที่พูดธรรมะได้ถ้าเป็นพระบ้ายพระอยู่นิ่งๆเฉยๆ แล้วก็ไปขอนู่นขอนี่นะขอไปจนวันตายก็ไม่ได้ที่ได้มันไม่ได้เกิดจากการขอมันเป็นยังหวะที่มันจะได้มันก็ได้นีไม่ต้องไปขอก็ได้ถ้าถึงเวลามันจะได้ขอไม่ขอมันก็ได้ถ้ายัางถึงเวลาไม่ได้ขอหรือไม่ขอมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะพระพุทธรูปนี้ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรทัานก็เป็นตกตาตัวหนึ่งท่านเอง ที่เราปั้นกันขึ้นมามนุษย์ที่มีกิเลสปั้นขึ้นมาเราจะทําให้ปั้นพระพุทธรูปให้เป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีกิเลสได้อย่างไรพระพุทธรูปก็ไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสเพราะว่าพระพุทธรูปไม่มีจิตใจพระพุทธรูปเป็นเพียงท้าวลวัตถุนั่นเองเพียงแต่เป็นที่ให้เรามาเตือนสติให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ที่รู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ต่างหากนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปที่สร้างกันขึ้นมานี่ให้เราลำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งมีคนวิเศษคือพระพุทธเจ้าได้มาตัดสู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายและได้มาสั่งสอนให้ผู้ที่สนใจ ได้ออกไปจากกองทุกได้ถ้าใครอยากจะออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ให้ไปศึกษากับตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่สองสาขาด้วยกันสาขาที่หนึ่งก็เรียกว่าพระธรรมคำสั่งคำสอ น, สอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านุ่นๆเลย เป็นคาสอนที่ได้มีการจดจำกันมาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยถ่ายทอดกันมาด้วยการจดจำกันแล้วพอมาถึงยุคที่มีการบันทึกเป็นตัวอักษรได้ก็เลยมีการบันทึกเป็นหนังสือขึ้นมาเป็นตาราขึ้นมาเป็นพักคำพีขึ้นมาพัก ค, คำพีนี้เราเรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะรู้ทาง สู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ไปศึกษาจากพระตไตรปิฎกได้อันนี้เป็นสาขาที่หนึ่งเป็นแหล่งของความรู้แหล่งที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สาขาหแหล่งที่สองของความรู้นี้ก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่เอง ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอาหารหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านสามารถสอนทางออกจากกองทุกได้ตามกำลังความรู้ของแต่ละท่านพระโสดาบันนี้ยังสอนให้ให้ออกจากกองทุกไม่ได้อย่างถาวรยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ แต่รู้ทางแล้วแต่ยังทำไม่สาเร็จยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ต่อไปก็จะเดินไปถึงได้เพราะมีแผนที่แล้วรู้ทางแล้วเดินไปเรื่อยๆตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเดี๋ยวก็ไปถึงพระนิพพานได้ทั้งสี่ระดับนี้ไปอยู่ใกล้พระนิพพานใกล้ไกลต่างกันเท่านั้นเอง แต่ในที่สุดทั้งสี่ท่านนี้จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกท่านจะมีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนหรือไม่ก็ไม่สําคัญถ้ามีก็จะช่วยให้ไปได้เร็วขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องคำทางไปเองก็จะช้าหน่อยแต่จะไม่หลงทางจะไปถึงพระนิพพานได้สําหรับพระโสดาบานันก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก พระสกิดาคามีก็หนึ่งชาติในกา ร, รมาพบน่ยพระพระ อ, อนาคามีก็ติดอยู่ในรูปภพอารูปภพพระพพอะหรหันต์ก็จะหลุดออกทั้งสามภพได้ตายภพได้อันนี้คือแหล่งที่สองแหล่งของความรู้ที่เราสามารถที่จะเรียนได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างความรู้ทั้งสองแหล่งนี้แหล่งที่หแหล่งที่หนึ่งคือ พระไตรปิฎกแหล่งที่สองคือพระอริยสงสาวกนี่แหล่งที่สองนี้จะมีความาสะดวกรวดเร็วกว่าการรักจากแหล่งที่หนึ่งเพราะการศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่ผู้ศึกษาก็ต้องมาตีความเอาเองมาแปลความหมายเอาเองซึ่งอาจจะแปลถูกบ้างแปลผิดบ้างก็ได้ก็อาจจะทําให้ หลงทางได้แต่ถ้าไปศึกษากับพระอริยบุคคลนี่ท่านจะเป็นคนแปลความหมายให้เราจะตีความให้เราเวลาเราหลงทางท่านก็จะบอกเราว่าไปผิดทางแล้วต้องไปอีกทางหนึ่งถ้าได้พระอริยสงสาวกนี้จะมั่นจะมั่นคงกว่าจะแน่นอนกว่าแต่ถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกเองนี่ บางทีก็จะกลายเป็นนอนแทะกระดาษก็มีในสมัยพุทธกาลทาั้งๆที่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีภาพบางรูปไปติดอยู่กับพระไตรปิฎกเรียนแต่พระไตรปิฎกแต่ไม่นําเอาไปปฏิบัติเนี่ยเพราะพระพเวลาพบพระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเป็นใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าก็คือเป็นความรู้ ที่ไม่มีประโยชน์ดูคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่สามารถพาดวงจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ยินได้ฟังคำเตือนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเขาก็เลยต้องหาที่ปฏิบัติต้องไปหาพระอาหารหันต์ ที่มีอยู่มากมายในสมัยพุทธกาลไม่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ได้ไปได้สัมมเนนเป็นอาจารย์เป็นสัมมเนนเป็นพระอาหารหันต์ไปฝากตัวกับพระผู้ใหญ่ในวัดเขาก็ไม่รับเขาบอกว่าเขาพรรษาน้อยกว่าไม่อยากจะสอนพระผู้ใหญ่กว่าก็เลยต้องไปขอเรียนกับสัมมเนน สามเณรก็สอนไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระหารานขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างพระไตรปิฎกกับพระอริยบุคคลเรียนแล้วบางทีไม่มีใครมากระตุ้นให้ปฏิบัติกันบางคนก็คิดว่าบรรลุแล้วก็มีบางคนเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็สรุปว่าตนเองนี้บรรลุทำแล้วก็มี แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงต้องเจอพระอาหารหันต์เท่านั้นท่านถึงจะบอกว่าบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงดังนั้นทางที่ดีถ้ามีโอกาสที่ยังเจอพระอริยสงสาวกได้ก็ไปศึกษากับพระอริยสงสาวกแต่จะศึกษาจากพระตไตรปิฎกไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเพื่อเราจะได้รู้กรอบรู้แนวทางว่า มีอะไรมาเปรียบเทียบใช้กันในการเปรียบเทียบคําสอนของพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลก็ได้เพียงแต่ว่ามีคนเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระอริยบุคคลก็เลยถ้าเราไปเรียนกับท่านโดยที่เราไม่ได้เรียนจากพระไตรปิฎกก่อนเราก็อาจจะไม่มีอะไรมาตรวจสอบ ว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่แต่ถ้าเราเรียนจากพระไตรปิฎกไว้บ้างพอรู้คร่าวๆแนวทางคือรู้อริยรสัจ ส, สี่รู้มรรคแปดรู้สติปัฏฐานสีพอไปศึกษาจากพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยรบุคคลเราก็จะพอที่จะวัด วัดได้ว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่นะถ้าท่านไม่สอนตามเราก็จะได้อ่าไม่หลงทางไปกับท่านบางทีตัวท่านเองท่านอาจจะหลงทางท่านอาจจะคิดว่าท่านบรรลุ ก, ก็ได้แล้วบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาก็อาจจะหลงเชื่อตามท่านก็ได้แต่พอเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎก แล้วไปดูการสั่งการสอนการปฏิบัติของท่านที่มันไม่ตรงกันเยมันก็ทำให้เราสงสัยได้อันนี้ก็พระไตรปิฎกก็ดีอย่างหนึ่งมีไว้เพื่อเป็นเป็นเป็นสิ่งเปรียบเทียบเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือเปล่า ท่านสอนให้เจริญมรรคแบบหรือเปล่าท่านสอนให้เร า, เ, าเข้าถึงพระอาริยสัจ ส, สีหรือเปล่าท่านสอนให้เราพิจ า, ารณาไตรลักษณ์หรือเปล่าพิจารณาอสุภะหรือเปล่าอันนี้คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันถ้าท่านไม่สอนอท่านก็จะได้รู้ว่าท่านอาจจะไม่เป็นผู้ที่ได้บรรลุจริงก็ได้ เราจะได้ไม่ถลําตัวไปเดี๋ยวหลงทางแล้วแก้ยากเวลาหลงทางเวลาเชื่ออะไรนี้มันเชื่อจริงๆเวลาคนอื่นคนที่เขารู้ว่าเราหลงมาบอกเราบางทีเราก็อาจจ ะ, ะไม่เชื่อเขาก็ได้นี่คือการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ตอนนี้ไม่มีพระพุทธแล้วเพราะท่านอยากพวกเราไปนานแล้วแต่ท่านฝากผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านไว้สองแหล่งด้วยกันคือพระไตปิโด ก, กับพระอริยสงสาวกนะีการฟังธรรมด้วยการศึกษาธรรมจากทั้งสองแหล่งนี้จะเป็นสิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เราเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองซื้อความสุขกันอย่าซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเอาเงินทองมาซื้อบุญชนิดต่างๆชอบบุญแบบไหนก็ซื้อได้ชอบสังฆทานก็ซื้อสังฆทานมาถวาย ชอบผ้าป่าก็ซื้อผ้าป่ามาถวายชอบกระถินก็ซื้อกระถินมาถวายชอบทำบุญกับสัตว์ก็ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไปถ่ายวัวควายก็ได้ถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้หรือชอบสงห์ผู้ยากไร้ก็ได้ช่วยคนแก่คนชราช่วยคนพิการช่วยลรงพยาบาลช่วยโรงเรียน อันนี้เป็นบุญชนิดต่างๆที่ทำแล้วได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจและได้กำจัดความอยากที่จะใช้เงินในทางที่ไม่ถูกให้มันหมดไปได้ถ้าเราทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่ความคิดที่อยากจะไปซื้อของหรูหราของพุ่มเฟยนี้มันจะหายไปจากใจ พราะมันเห็นผลที่ได้จากการทําบุญกับการซื้อของฟุ่มเฟือยว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มันยิ่งกลับทําให้เราหิวมากขึ้นอยากซื้อมากขึ้นทําบุญแล้วกลับทําให้เราอิ่มขึ้นเอมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้หยุดห้าวันไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ไปอยู่วัดได้ไปเพิ่มความสุขให้มากขึ้นได้ นี่คือขั้นที่หนึ่งเกิการทําบุญนะพอเราทําบุญได้แล้วเราก็มารักษาศีลกันหาดรักษาศีลห้ากันคนที่ทําบุญก็จะรักษาศีลง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญเพราะคนทําบุญนี่มีความเมตตานั่นเองไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนใครไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเวลาจะทําอะไรมักจะคิดไว้ก่อนว่าทำแล้วทาให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเสียหายก็จะไม่ทําดีกว่าเพราะมีแต่ทําให้ทําแต่มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นมีแต่ทําให้เขามีความสุขแล้วอยู่ดีๆจะไปทําให้เขาเดือดร้อนได้อย่างไรก่อนที่ทําบุญนี้ก็จะสามารถรักษาศิห้าได้อย่างง่ายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญเพราะคนที่ไม่ทําบุญนี้จะเอาแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรก็ไม่คํานึงถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่น ขอให้ตัวเองได้สิ่งที่ตนเองต้องการท่านั้นก็พอก็จะรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลได้ยากดังนั้นเบื้องต้นก็ต้องทําบุญทําทานขั้นที่หนึ่งแล้วเราจะได้รักษาศีลห้าขั้นที่สองได้พอรักษาศีลห้าได้ก็มาเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปได้เบื้องต้นก็ลองอาทิตย์ละวันก่อนวันที่สะดวกวันที่เราไม่ต้องไปทํางาน ลองมาถือศีลแปดสักวันหนึ่งเออแล้วก็ไปอยู่วัดเพื่อได้ไปหัดนั่งสมาธิกันด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการาฝึกกรรมฐานบริกรรมพุโทโธพุโทโธนั่งดูลมหายใจเข้าออกเดินจงกรมวิธีการเหล่านี้เป็นการฝึกปฏิบัติทำขั้นที่สามคือขั้นสมาธิ ตอนต้ก็เอาศีลห้าก่อนแล้วก็ศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบพอได้สมัมผัสกับความสงบแม้แต่เพียงแค่งูแลบลินก็จะทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสงบความสุขต่างๆในโลกนี้ที่มีอยู่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เกิดจากการฝึกสติฝึกสมาธิมันก็จะทําให้เราเกิดความยินดีความพอใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะตั้งใจมาวัดกันทุกทิตไปอยู่วัดกันทุกทิตย์ แล้วพอไปวัดทุกอาทิต์ได้สัมผัสมากขึ้นก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็อาจจะเพิ่มการไปอยู่วัดจากวัดหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วแต่พอที่จะหาเวลาได้ต่อไปก็อาจจะตัดการทำอะไรอย่างอื่นไปการเที่ยวให้น้อยลงไปการทำงานหาเงินให้น้อยลงไปเพราะเราไม่ต้องใช้เงินแล้วเนี่ยเพราะว่า เมื่อก่อนติดเที่ยวติดซื้อของฟุ่มเฟือยเดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วก็เลยไม่ต้องมีเงินมากมเงินทาบุญ ถ, ถ้ามีก็ทำได้ไม่มีก็ไม่ทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็จะได้มีเวลาเพิ่มไปทาบุญระดับที่สูงกว่าการให้ทานก็คือการฝึกจิตทำจิตใจให้สงบนี่เองอต่อไปก็จะไปอยู่วัดนานขึ้นบ่อยขึ้น พออยู่บ่อยขึ้นนานขึ้นความสุขที่ได้รับจากความสงบมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เบื่อทุกครั้งที่ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพอกลับไปอยู่ที่บ้านก็เจอแต่ความวุ่นวายต่างๆเจอแต่ความไม่สงบเจอแต่เรื่องราวต่างๆก็อาจจะทำให้ถึงจุดที่ว่าไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปก็ได้นะคนสมัยพุทธกาลเวลาเขาออกบวชกันเนี่ยเขามักจะพูดว่า ชีวิตของค า, า, ารวะนี่มันวุ่นวายหนอมีเรื่องต่างๆมากมายกายกองมาทุกรอบด้านทุกเวลาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยแต่พอไปอยู่วัดนี้เรื่องราววุ่นวายต่างๆหายไปหมดแล้วมาควบคุมใจให้สงบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ยิ่งสงบใหญ่ยิ่งมีความสุขใหญ่ต่อไปก็อาจจะบวช บวชแล้วก็ไปฝึกสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆพอได้ฌานขั้นต่างๆก็ทีนี้ก็ขึ้นสู่ระดับสูงสุดคือระดับปัญญาหรือระดับวิปัสสนาได้ต้องศึกษาเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของไตรลักษณ์นะศึกษาอริยรรสัจสี่ก็จะพบว่าความทุกข์ใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากของใจเอง พออยากได้อะไรขึ้นมาปั๊บใจไม่สบายแล้วพอคิดอยากได้อะไรขึ้นมานี่ใจเริ่มละสัมละสายแล้วไม่อยู่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพออยากจะไปเที่ยวปั๊บนี่ใจสั่นแลต้องเตรียมตัวแล้วต้องไปจองที่พักจองตัว๋วจองอะไรกันวุ่นวายไปหมดนะแล้วถ้าไม่ได้ไปก็เสียใจอีกก็จะเห็นว่านี่แหละ ทุกข์โฉงใจเกิดจากความอยากต่างๆจึงต้องคอยถ้าอยากจะให้ไม่มีความทุกข์ในใจก็ต้องคอยปราบความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาวิธีปราบก็ต้องใช้เหตุผลสอนใจให้เห็นว่าการไปทําตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองทุกตั้งแต่เริ่มคิดละพอคิดใจก็ไม่สบายละก่อนที่จะมีความอยากใจอยู่สบายเย็นสบาย พอคิดว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปเตรียมการต้องไปหาวิธีจัดการเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปของต่างๆในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดไปซื้อของฟุ่มเฟือย ความสุขที่ได้ก็หายไปหมดถึงแม้ของจะอยู่แต่ความสุขมันไม่มีแล้วเห็นไหมของที่เราซื้อมาเวลาเราเห็นมันมีความสุขกับมันไหมมันเหมือนกับเวลาที่เห็นมันอยู่ในร้านหรือเปล่าเวลาที่แขวนอยู่ในร้านนี่โอยดูแล้วมีความสุขเหลือเกินได้มาแล้วมีความสุขพอมาแขวนอยู่ในบ้านดูแล้วเบื่อ นั่นแหะความสุขแบบช่วคราวมันเป็นอย่างนั้นมันจะหลอกให้เราต้องไปซื้อของใหม่ๆ ม, มาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะเดือดร้อนถ้าใช้เงินเกินกำลังต่อไปเงินอาจจะไม่พอใช้แล้วพอไม่ได้ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยก็หงุดหงิดนาคาญใจไม่มีความสุขนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการไปทําตามความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ที่มันทําให้เราทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเร า, เราได้ตลอดเวลาให้ความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดความหมายไปต้องเห็นตายรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ แล้วมันจะทําให้เราเปลี่ยนใจได้เมื่อรู้ว่าตอนต้นเราคิดว่าเราจะไปหาความสุขกันแต่พอมาเจออ น, นิจจังเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ของอะไรก็ตามเวลาได้มาใหม่ๆ ม, มันมักจะทําความสุขให้กับเราแต่พอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันเริ่มเสียละพอเริ่มเสียความสุขที่เคยได้จากมันก็ไม่มีแล้ว ต้องไปซ่อมก่อนหรือต้องไปปรับปรุงมันก่อนถึงจะได้ความสุขเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็เสียอีกแล้ววันดีขึ้นดีมันอาจจะหายไปก็ได้หรือซ่อมไม่ได้ตอนนั้นความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปก็ทำให้เราต้องทุกข์กันอีกอ น, นี่คือการใช้ตจลักษสอนใจเพื่อระงับความอยากต่างๆ สอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจอย่าททำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่าททำตามความอยากเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณพระกลับมาเกิดใหม่กันถ้าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็กลับมาเกิดในกายมาพบนะถ้าอยาก อยากได้ความสงบจากรูปฌปานก็ไปเกิดในรูปภพถ้าอยากจะได้ความสุขของอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพทำนะอยากถ้าจะไปนิพพานก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปด้วยการพิจารณาว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาการร คือการมคุณห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนนตารูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอโนาตาอารูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนนตาพอพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักหมดก็ไม่เอาดีกว่าสู้ทําใจเฉยๆให้เป็นอุเบกขาดีกว่าสัตว์แต่ว่ารู้ไปอยู่กับความว่างไปดีกว่าพอไม่มีความอยากใจก็จะ กลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็ไม่ต้องไปเกิดต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอ น, นี่คือบุญขั้นสูงสุดซึ่งมีน้อยลงมีคนปฏิบัติน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาสนี่สมัยพระพุทธเจ้านี่พระอรหันต์เดินชนกันเต็มไปหมดเลยเดินไปทางซ้ายก็ชนเดินไปทางขวาก็ชนมีเยอะแยะไปหมดเลย แต่สมัยนี้จะหาพระเลยหันแต่ละองค์มันกับหาเพชรในดินนะต้องไปขุดไปค้นไปหากันกว่าจะเจอกันสักเม็ดหนึ่งเพราะว่าคนสนใจกับการปฏิบัติน้อยลงนั่นเองเพราะาคนอ า, อาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีการไม่มีการบอกเล่าให้เห็นความสาคัญของพระนิพพานไม่ให้เห็นไม่มีใครบอกเล่าถึงโทษของการเวียนว่ายตายเกิด ก็เลยทำให้หลงกันหลงติดอยู่กับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยไม่อยากไปปฏิบัติกันก็เลยขอเพียงแค่ทำบุญง่ายๆแบ่งเงิ น, นมาสักนิดหน่อยมาบอยจากสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรืออะไรก็ตามก็คิดว่าพอเพียงแล้วแต่ส่วนใหญ่อยากจะหาความสุขจากราบยศสะรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสหน้ากลับมาเกิดก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วก็ได้ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกสักเท่าไหร่สาหรับผู้ที่เห็นความสําคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเข้าหาศึกษาและปฏิบัติตามไม่นานก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือทางเลือกของพวกเราอนาคตของพวกเราที่พวกเราเลือกกันได้ถ้าเรามาหาหมอดูคือจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ท่านก็จะบอกอนาคตของเราและวิธีที่จะสร้างอนาคตของเราแต่ละวิธีให้เราได้ทราบไว้พวกเราก็สามารถเลือกนำเอาอไปปฏิบัติได้นะ นี่คือเรื่องของบุญที่เกิดขึ้นจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกับ ป, ปติ อิติตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปนะราโสยัตถะมณิโชติราโสยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวาภิวาฒนสีริสานิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็ของดถามงดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ Facebook 420 YouTube 305 Radio 19รับฟังบนเขา95รวม839ท่านค่ะอะวันนี้ดีทั้งสองช่องเลยนะไม่เสียคำถามจากคุณพิทักษ์กิมสูงเนินค่ะ ขณะที่กำลังภาวนาการมีสติรู้ทันว่ามีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแต่เพียงแค่รับรู้และไม่ได้ให้ความสำคัญหรือต้องสนใจกับความคิดนั้นๆที่เกิดขึ้นมาพอเรามีสติรับรู้เช่นนี้ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าเรารับรู้เท่าทันในสังขารความคิดใช่ไหมครับ ยังไม่ควรจะทำอย่างนี้เพราะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องคอยรู้กันอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องการหยุดมันดีกว่าอย่าไปวิธีหยุดมันก็คือให้เราอยู่กับพุโทโธไปดูลมหายใจไปอย่าอยู่อย่าดูความคิดเนี่ยดูความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดส่วนใหญ่มันทำให้เราปวดปวดศีสะมันมีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมา เดี๋ยวไปเจอความคิดที่มันแรงๆทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ทำตามมันอยู่ดีงั้นหัดหยุดความคิดกันดีกว่าทำใจให้ว่างให้สงบแม้จะเป็นช่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ทำเพราะต่อไปเราก็จะได้มีกำลังหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้คำถามจากคุณสิทธวัตาค่ ะ, ะผมอยากทราบการกระทำกัน การกระ บ, บวนการทำงานของผู้รู้จิตและขันว่าทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรครับผู้รู้ก็มีหน้าที่รู้ขันเขาก็มีหน้าที่ของเขาสังขารก็มีหน้าที่ความคิดปรุงแต่งสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้เห็นรูป ก, ก็จำได้ไว่าเป็นรูปใครแห่า้เใช้สัญญาเวทนาก็แสดงความรู้สึกตามสัญญา ถ้าเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาถ้าจำรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาอวิญญาณก็เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้ให้ใจผู้รู้ได้รับรู้แล้วก็ให้สัญส ญ, ญาเป็นผู้แปลความหมายว่าเป็นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างไรพอแปลเสร็จก็เกิดเวทนาขึ้นมาสุขทุกขหรือไม่สุขไม่ทุกขขึ้นมา พาะก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สังขารก็ปุุงขึ้นมาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆไม่มีความอยากหรือบางทีเฉยๆก็อยากจะให้มันหายไปเหมือนกันเพราะมันเบื่ออยากจะได้แต่สุขอย่างเดียวอันนี้ก็คือหน้าที่ของขันกับของกับ ข, ของใจคือผู้รู้ ใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เป็นผู้รู้สิ่งต่างๆที่สัญญาสังขารวิญญาณมารายงานใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายแล้วพวกขันนี้เป็นเหมือนบริวารลูกน้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจใจก็เสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาอยากจะถามหรือเปล่า มีใครแปลได้ไหมหรือไม่ได้ไม่มีไม่มีใครอาสาสมัครมาแปลนะมาจากเมืองจีนนะครับเขามาจากเมืองจีนนะครับพวกเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเขามาณเมือนไทยก็อยากเห็นว่าวัดที่เมืองไทยศาสนาพุทธที่เมืองไทยเป็นยังไงสมมติพาามเมื่อกี้ก็ถามอะไรนะอคําถามเขาประมาณว่า ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วแบบไม่สงบอย่างเงี้ยถ้าอยากจะสงบเนี่ยเขาต้องนั่งแบบมีสติสติก็คือต้องมีอะไรให้ทําให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้ท่องพุทโธพุทโธไปได้อย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันก็จะไม่สงบใหม่ๆ ม, มันก็ยังจะต้องใช้เวลามากเห็นถ้านั่งไม่สงบก็ไม่เป็นไรพยายามทําต่อไป ทำแต่ต้องมีพุโทโธหรือมีการดูลมหายใจแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะสงบได้ลองเล่าที่ไปฟังโ okay. อเคมีทางนี้มีคำถามเลยมีว่าได้ถามได้เลยพูดใกล้กลกลปากเลยคื อ, <น>คอว่าสามีเพิ่งเสียไปอ่ะค่ะแล้วก็จะทำบุญร้อยวันวันที่สิบสี่นี้คือแบบ หนูก็ยังทําใจไม่ได้กับการสูญเสียเขาอะค่ะอ๋อเรื่องเรื่องการทําบุญกับการทําใจคนราเรื่องกันะ่ทําบุญนี้ส่งบุญไปให้เขาเผื่อเขาไม่มีบุญติดตัวไปก็เขาจะได้อาศัยบุญที่เราส่งไปให้เขาอยู่อย่างสบายหน่อยเรื่องทําใจนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นเหมือนแผลนะแผลเวลามันเป็นก็ต้องใส่ ย, ยาแล้วก็รอให้มันหาย วิธีที่จะหายมันหายเร็วก็อย่าไปคิดถึงมันให้คิดว่ามันเป็นเหมือนความฝันเหมือนฝันลายเมื่อเกินี้เราฝัน้ายแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปควรไปคิดถึงมันเราก็มีสติอยู่กับชีวิตปัจจุบันของเรามีหน้าที่การงานอะไรก็ทาของเราไปคือเขาถือว่าเขาออกจากจากชีวิตเราไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้ว เมีอย่างเดียวที่เราทำให้เขาได้ก็คือทำบุญส่งไปให้เขาสิ่งที่ลูกทำทุกวันคือตั้งแต่ทราบว่าเขาเสียแล้วก็ทำตามประเพณีแล้วลูกก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์อย่างนี้เขาจะได้รับไหมคะบุญที่เขาจะได้รับคือบุญที่เราใส่บาตหรือถวายทานนี่แต่บุญที่เราสวดมนต์ไหว้พระนี่มันยังไม่เกิด เพราะว่ายังไม่ได้ผลนียังเป็นเหมือนกับกําลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นิยมอุทิศบุญที่เกิดจากการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปเพราะายังไม่มีผลเนี่ยถ้าอยากจะส่งไปส่งบุญไปต้องเกิดจากการทําทานใส่บาตรถวายสังฆทานหรือ ทำอย่างอื่นก็ได้ทําบุญกับลงพยาบาลโรงเรียนหรือปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ส่งไปก็ทําไปเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแล้วพยายามอย่าไปคิดถึงเขามากพยายามใช้สติฝึกสติให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนดีกว่าเวลาคิดถึงเขาก็มาเปลี่ยนไม่ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไป เพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเขาเพราะคิดแล้วมันทำให้เราทุกข์อ่ะคิดไปทำไมการไม่คิดถึงเขาไม่ได้หมายความว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาหรือไม่รักเขาเพียงแต่ว่าเราคิดแบบไม่ทุกข์ไม่เป็นตอนนี้เราต้องหยุดคิดก่อนไว้ให้มันแพ้หายก่อนค่อยคิดถึงเขาได้เรอไปเวลาเราไม่ทุกข์แล้วคิดถึงเขาก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถ้าคิดถึงเขาแล้วทำให้เรายิ่งทุกข์ใหญ่เราก็อย่าเพิ่งไปคิด พยายามห้ามความคิดถึงเขาเวลาจะคิดถึงเขาก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าจะหยุดคิ ด, คดถึงเขาเราก็หยุดพุดโทโธได้ไม่งั้นเราจะอยู่กับความทุกข์ไปอีกนานความทุกข์เกิดจากการคิดของเราเองไม่ได้เกิดจากการเสียของเขาเพราะเหมือนเหมือนลูกต้องแบบทำงานกับคนเป็นร้อยคน่เนี่ยค่ะเราลูกจะต้องเข้มแข็งเร็ว ก็นี่แหละก็ใช้สติพุโทโธนี่แหละแล้วเราจะเข้มแข็งเนี่ยพยายามฝึกพุโทโธไปทั้งวันเลยอย่าไปคิดถึงเขาเลยพอคิดถึงเขาปุ๊บก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอไม่คิดถึงเขาความเข้มแข็งก็กลับมาพอคิดถึงเขาความอ่อนแอก็กลับมาอืมอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความคิดของเราเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอทางจิตใจก็อยู่ที่ความคิดของเรานี่เองอืม ถ้าอยากจะเข้มแข็งก็คิดพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆคําถามจากคุณพัทัยคะ่ะกลาบเินพระอาจารย์แนะนําวิธีการให้กับคนที่ป่วยหนะักว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะสงบไม่กังวลถึงความเจ็บป่วยครับก็ขึ้นอยู่กับเขาทําอะไรได้นะตอนที่ยังไม่ป่วยเขาสวดมนต์ได้หรือเปล่าเขาพุโทโธได้หรือเปล่า ฟังเทศได้เปล่าเนี่ยมีสามวิธีฟังเทศไปมันก็จะทำให้เขาลืมเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพักๆไปพุทโธก็หยุดความคิดเกี่ยวกับร่างกายได้เป็นพักๆไปสวดมนต์ก็เหมือนกันแล้วทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็มีวิธีต่างๆเหล่านี้ ถ้าไม่ทําเหล่านี้ไม่ได้ก็ให้เขาทําบุญได้ไหมล่ะให้ให้เขาถวายสังฆทานแต่บุญนี่มันต้องเกิดจากความปรารถนาของเขาเองและต้องเป็นเงินของเขาเขาถึงจะได้บุญถ้าเราเป็นคนจัดของมาให้เขาแล้วบอกเอ้าเอาผ้ามาให้เขาได้เขถวายเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความอยากทําบุญของเขาถ้าเขาอยากทําบุญแสดงว่าเขาเคยได้รับความสุขจากการทําบุญ เขาก็เลยอยากจะทําบุญเขาก็ต้องใช้เงินของเขาของมาทําบุญถึงจะได้ประโยชน์ถ้าไปยืมเงินคนอื่นของเงินคนอื่นมาทํามันก็ไม่ได้คําถามจากคุณนลณีค่ะการทําบุญใส่บาตรตามตลาดมีพระนั่งรับบาตรอยู่แล้วมีร้านขายชุดใส่บาตร เอาอาหารบุญไปขายเพื่อใส่ไม้เราควรใส่บาทไหมคะแล้วถ้าเราใส่บาทกับพระรูปนั้นแล้วเราจะได้บุญไหมคะเป็นการสนับสนุนให้เขาทาไม่ดีหรือเปล่าคะเราได้บุญเวลาเราทำบุญเราได้บุญส่วนคนที่รับของจากเรานี่เขาจะได้บุญหรือไม่ก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเขามากนะัก ถ้าเราไม่อยากจะทำกับเขาเราไปทำกับสุนักก็ได้เนี่ยซื้ออาหารแล้วก็วางใส่ถุงวางไว้ข้างถนนเนี่ยเดี๋ยวสุนักตัวไหนมาก็ให้มันกินก็ได้มันก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกปเป็นการสนับสนุนการทำความผิดก็อย่าไปทำกับเขาก็แล้วกันแต่ถ้าเรายังอยากจะได้บุญอยู่เราก็ต้องหาที่ทาใหม่ถ้าทากับหาพระทาไม่ได้ ทำกับขอทานก็ได้ทำกับสุนัข ก, ก็ได้ทำกับแมวก็ได้ทำกับไข่ก็ได้คำถามจากคุณแกรนด์เดนเยลลค่ะกระผมวิ่งจ็อกกิ้งนับเก้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองไปเรื่อยถึงสิบแล้วนับใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆถือเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งได้ไหมครับหรือควรฝึกแบบใดดีครับเวลาวิ่งเป็นการฝึกสติ คือเป็นการลดความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้น้อยลงแต่ก็ควรที่จะคอยเฝ้าดูทางที่เราวิ่งด้วยอย่ามวัวแต่นับก้าวเดี๋ยวมีอะไรอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นต้องมีสติอยู่ว่าการวิ่งเป็นเป็นเป็นหลักก่อนแล้วถ้าใจยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยให้เอามาคิดหนึ่งสองสามสามสี่สองอะไรไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเดี๋ยวนี้มีคนปลอมเป็นพระเยอะมากบวชมาเพื่อสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้บวชมาเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งความการพ้นทุกข์หากเราไปทำบุญทาทานกับคนพวกนี้เราจะบาปไหมครับเราได้บุญเพียงแต่เราก็สนับสนุนให้เขามาหลอกลวงเท่านั้นเองเหมือนกับสนับสนุนโจรมาปล้นพระศาสนาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นโจรเราก็อย่าไปสนับสนุนเขา แต่ถ้าเราเพียงสงสัยก็อย่าอย่าพึ่งเราอาจจะคิดผิดก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นั้นเราต้องมีความแน่ใจก่อนว่าเขาเป็นโจรจริงๆเราก็ยุติการสนับสนุนบางคนมาบวชแล้วยังปฏิบัติไม่เข้งคัดยังไม่สํารวมเท่าที่ควรแต่เขาก็ยังมีความปรารถนาที่อยากจะบวชเป็นพระอยู่ก็ต้องให้โอกาสเขา แต่ถ้ารู้ว่าเขามีเจตนาไม่ดีต่อศาสนาเราก็ไม่ต้องทำบุญกับเขาคําคำถามจากคุณปรางทิพย์ค่ะถ้าเราน้อยใจแม่เราทำดีให้แม่เสมอมาทำให้อยู่ตลอดแต่แม่ไม่เคยมองเห็นความดีเอาเรอไปพูดในทางเสียหายทั้งที่ไม่ค่อยไม่ใช่ความจริงก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่แต่รู้สึกเสียใจอย่างนี้เป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่ไม่ฉลาด เรามองแม่ในมุมไม่ถูกเราต้องมองแม่ว่าก็เป็นเจ้าหนี้เราทุกครั้งที่เราทําบุญทําอะไรกับแม่นี่ถือว่าเรากําลังใช้หนี้งั้นเราไม่ไปหวังอะไรจากคนที่เราใช้หนี้ใช่ไหมขอให้เขาขอให้เราได้ใช้หนี้เขาเราก็จะได้สบายใจเราไม่ต้องหวังว่าเขาจะต้องเห็นดีเห็นงามกับการทําความดีของเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขา แม่นี้เขาเป็นคนหลายบทบาทเขาเป็นแม่ด้วยเขาเป็นคนมีกิเลสด้วยบางทีเขายังห้ามกิเลสเขาไม่ได้กิเลสเขาก็จะปล่อยให้เขาพูดหรือทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือไม่ดีไม่งามก็ได้ดังนั้นเราต้องมองว่าเราเราไม่ได้มองเราไม่เกี่ยวข้องกับแม่คนนี้คนแบบนี้ที่เราเกี่ยวข้องกับคนคือคนที่เขามีพระคุณกับเรา คนที่เขาให้ชีวิตเราให้น้ำให้ข้าวเราเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้เขามากเราขอชดใช้หนี้เท่าที่เราจะใช้ได้ส่วนเขาจะมาเอาเห็นดีเห็นงามกับเราหรือไม่นี่เราไม่ไปหวังอย่าไปหวังเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนเวลาเราไปใช้หนี้ที่ธนาคารใช้หนี้ที่ผ่อนรถยนต์นี่เราไม่ได้ไปสนใจว่าเขาจะมาชมเราว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหม ขอให้เขาไม่มายุดรถเราไปก็แล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันแม่เขาเหมือนกับขายรถให้เราอะขายร่างกายให้กับเรานี่เราเป็นเป็นหนี้ร่างกายนี้เป็นเป็นเหมือนรถที่เราซื้อมาจากแม่ทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องใช้หนี้ผ่อนผ่อนค่าร่างกายของเราคืนแม่ไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจเขาจะ ชื่นชมยินดีกับการทำความดีของเราหรือไม่นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของของเราที่จะไปหวังจากเขาขอให้เราขอให้เขาอย่ามาว่าเราเนรคุณเน้ออาการตันอยู่ก็พอเพราะเรามีความกระตันอยู่เราใช้นี่ถ้าเราไม่ใช้นี่เนี่ยเขาว่าเราได้ว่าไอเด็กคนนี้มันเป็นเด็กอากตันอยู่ไม่รู้บุญคุณของพ่อของแม่งัเเ้นอย่าไปมองมุมที่ไม่ทาให้เราเสียใจ แสดงว่าเราไม่ฉลาดมองมองผิดมุมมุมที่เราเกี่ยวข้องกับแม่ก็คือเราเป็นลูกนี้แม่เป็นเจ้านี้เราต้องใช้หนี้แม่เท่า น, นั้นเองมองแค่นี้ก็พอแล้วเราจะไม่หวังอะไรจากแม่เพราะเราได้มามากแล้วเราได้ร่างกายมาแล้วจะเอาอะไรอีกคําถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคําถามแรกย้อนไปเมื่อก่อน ก่อนที่พระอาจารย์จะบวชค่ะพระอาจารย์มีเรื่องทุกข์ใจอะไรที่เป็นสาเหตุให้พระอาจารย์ตัดสินใจมาบวชครับทุกเรื่องอะเรียนหนังสือก็ทุกจบก็จบก็ต้องหางานก็ทุกมีงานทําก็ทุกโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทุกมุมเห็นทางของพระเจ้าเท่านั้นอะที่มันไม่มีทุกข์ ก็เลยคิดว่าไปทางพระพุทธเจ้าดีกว่าอพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งหมดท่านก็มีงานท่านก็ทิ้งท่านมีลูกท่านก็ทิ้งมีภรรยาก็ทิ้งมีสมบัติท่านก็ทิ้งเพราะ ท, ท, ท, ท่านก็เห็นว่ามั น, นทุกข์ทั้งนั้นเนะี่ยเราก็เห็นแบบนั้นนะเราก็ถึงมาบวช ด, ดีกว่ามาบวชแล้วนี้สบายมีแต่สุขหนอสุขหนาะเห็นต้องทุกข์กับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้ทุกข์เราเลย คำถามที่สองคะ่ะถ้าเราต้องการตัดกิเลสต่างทิ้งไปเราต้องจัดการกับกิเลสจำพวกหนี้สินอย่างไรในทางธรรมเช่นหนี้รถหนี้บ้านเป็นต้นการปล่อยวางคือเราควรไปจัดการกับหนี้สินทั้งโลกให้เรียบร้อยจึงค่อยเข้าสู่ทางธรรมถูกต้องไหมครับถูกต้องเมื่อเป็นหนี้เราไม่ใช่หนี้ก็หนีหนี้เราก็ยังความจริงเขาไม่ให้บวชนะเวลาเขา บวกเขาจะสัมภาษณ์ว่าหมดเปลืองนี่หมดหรืยอยังถ้ามีนี่เดี๋ยวมันจะเจ้านี่มาตามตามจับศึกไปใช้นี่งั้นก่อนจะมาบวชนี่เขาต้องถามว่ามีนี่มีภาระอะไรหรือเปล่าถ้ามีต้องไปทำให้มันหมดก่อนอมีนี่ก็คืนเข้าไปเสิของเราเหมือนกันเราไปยืมเข้ามาไปเช่าเข้ามาเมื่อเราไม่จ่ายค่าเช่าก็คืนของไป เราเช่าบ้านเขาเมื่อไม่จ่ายค่าเช่าบ้านก็คืนบ้านไปเช่ารถมาไม่จ่ายค่าเช่ารถก็คืนรถไปก็จบเท่า น, นั้นเองเวลาไปบวชเราก็ไม่ต้องเอาบ้านไปไม่ต้องเอารถไปอยู่แล้วคำถามฝากถามจากผู้ชมลผู้รับฟังบลข่าวคะ่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิเราสามารถแผ่เมตตาให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมคะวิธีที่ถูกต้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะเ อ, อเวลาแผ่เมตตาไม่ใช่เวลานั่งสมาธินะ เวลาแผ่เมตตาเวลาเจอกันยกมือไหว้ทักทายกันเวลาโกรธเขาก็ให้อภัยเขาเวลามีขนมนมเนยมีของเหลือเฟือก็เอาไปแบ่งกันไปให้ความสุขกับเขานั่นคือวิธีแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาคนละเรื่องกัน คำถามจากคุณจัญญาค่ะทำไมนั่งสมาธิทีไรน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรนะคะดีหรือไม่ดีเจ้าคะแบบนี้ก็ทุกหรือเปล่าเหรถ้าทุกก็ไม่ดีถ้าไม่ทุกก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เสียหายต้งไหนบางทีคนบางคนอาจจะมีจิตอ่อนไหวกับเหตุการณ์บางอย่างบางเรื่อง บางคนเห็นภาพเห็นอะไรดาราหน่อยก็น้ำตาไหลได้ยินเสียงคนที่เราชอบหน่อยก็น้ำตาไหลนั่งเฉยๆจิตว่างๆใจจิตสบายก็น้ำตาไหลได้ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสคำถามจากคุณธิดารัตน์ค่ะเมื่อความกโกรธ เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมามันโกรธไปแล้วก็เสียใจมารู้ก็เสียใจทุกครั้งสายไปทุกครั้งมีวิธีไหนบ้างคะที่จะรู้สึกได้ไวๆนะคะก็ต้องมีสติมากขึ้นฝึกสติให้ทันกว่าความคิดพอจะเริ่มโกรธก็รู้ก่อนนะแล้วถ้าจะให้มันเร็วกว่า น, นี้ก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทาให้โกรธ เหตุที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละอยากให้เขาทําอะไรพอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธอยากจะยืมเงินเขาขเขาคะไม่ยืมเงินเราเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากยืมเงินเขาเลยอย่าไปอยากให้เขาทําอะไรแรล้วลับรองได้ว่าจะไม่โกรธเขาเรา คำถามจากคุณมาม่าคิมมี่ปฏิบัติมาหลายปีสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่พอมีความโกรธจิตก็ไม่สงบเลยเจ้าคะ่ะควรทำอย่างไรคะตอนนี้คคำตอบก็พยายามลดความอยากอย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้ น, ท ำ, น, นทำอย่างนี้ให้เราฝึกมักน้อยสันโดษนะความมักน้อยสันโดษจะทำให้ความอยากน้อยลงแล้วความโกรธก็จะน้อยลงไปยินดีตามมีตามเกิดเอาธรรมะจัดสรร ธรรมะจะจัดอะไรให้เราก็เอาอย่างนั้นคำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะร่วมร่วมบุญสร้างพระสร้างโบสถ์เป็นประจำกล่าวคำอุทิศบุญให้บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้เขาจะได้รับไหมครับถ้าเขารอรับอยู่ก็รับได้ได้รับ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ฝึกปฏิบัติเห็นวันเวลาที่ผ่านไปช้ามากแต่ตอนนี้ฝึกปฏิบัติเห็นว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากไม่ทราบว่ามีความเห็นผิดไหมครับ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกเวลาเรามีอะไรทำเวลามันก็ผ่านไปเร็วเวลาเราไม่มีอะไรทำเรานั่งเฉยๆก็นับดูเวลาเดี๋ยวก็ดูนาทีหนึงก็ดูนาทีหนึ่งก็ ด, กดูเพราะไม่รู้จะทาอะไรก็เลยนั่งดูเวลา แต่พอเรามีอะไรทานี่เพินดูหนังไหมสองชั่วโมงมันก็ผ่านไปเร็วคำถามจากคุณไข่มุกค่ะการเดินจงกรมค่ะต้องมีสติอยู่ที่ขาที่ก้าวเดินหรือสติอยู่กับพุทธโธเจ้าคะได้ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้มีอะไรเป็นที่ผูกใจเกาะใจไว้เพื่อจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหมด<ำ>แล้วเลยยังมีค่ะอาจารย์ คำถามจากคุณอ้อยค่ะตอนเรามีชีวิตอยู่เราสั่งสามีว่าถ้าเราตายไปให้เอาเงินประกันชีวิตจำนวนหนึ่งไปตั้งองค์กรถินแบบเนี้ยเราจะได้บุญหลังจากตายไปไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำตามที่เราสั่งหรือเปล่าอยากจะได้ทำตอนนี้เลยอถอนเงินประกันมาแล้วก็ไปตั้งกองกระถินของเราเลยได้แน่นอนกว่าเหมือนกับบริจาคอาวียวะ ถ้าบรบจากตอนนี้ได้แน่ๆเลยเพราะเรารู้เราได้ใบจากอวัยวะไปแต่ถ้าเราเราตายแล้วเราไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรหรือบ่าอย่างไรเนี่ยยังต้องทําตอนที่เราเป็นถึงจะเกิดผลขึ้นมาคือเราต้องมีการรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีการรับรู้แล้วก็มันก็ไม่เป็นเรื่องของเราไปแล้วเป็นเรื่องของคนอื่นเขาไปแล้ว คำถามจากคุณสิริวิทย์ค่ะหากเราอยู่ในช่วงฝึกสติกับพุทโธหรือลมหายใจท่าที่นั่งในการฝึกเบื้องต้นนั้นควรต้องนั่งท่าสบายๆหรือนั่งทับทุกให้เจ็บเลยตั้งแต่ต้นครับแล้วแต่เราเน่ถ้าเราอยากจะเป็นมืออาชีพเราก็หัด น, นั่งท่าของมืออาชีพท่าของมืออาชีพก็นั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายไป แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการเป็นมืออาชีพอยากแค่เป็นแค่มือสมัครเล่นอยากจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ห้อยเท้าก็ได้นั่งขอบเตียงก็ได้แล้วแต่เราแต่ผลมันจะต่างกันนะถ้านั่งในท่าที่ถูกมันจะนั่งต่อไปมันจะนั่งได้นานและสงบได้ลึกกว่านั่งในท่าอื่นคำถามจากคุณวรชยากรณีพุทโธต้องกาหนดตามลมหายใจไหมคะหรือพุทออก โทรเข้าหรือพูดเข้าโทรออกหรือกำหนดพุดโทรโดยไม่ต้องกำหนดตามลมคะไม่ต้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุดโทรอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จะถนัด คำถามจากคุณสุภชัยค่ะศพที่ฝังไว้ไม่ได้เผามีผลต่อดวงวิญญาณต่างจากศพที่มีการชา ป, ปนาคิจอย่างไรครับไม่มีหรอกนั่งกายกับดวงวิญญาณพอแยก จ, อกจากกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกันละจะเอาศพไปฝังไปเผาไปทาเป็นมัมมี่มันก็ไม่มีส่วนที่จะไปทาอะไรกับดวงวิญญาณส่วนที่จะมีผลต่อดวงวิญญาณก็คือบุญกับบาปที่เราทาไห้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นขอคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณนิยาค่ะการที่เราเล่นเกมแล้วได้รางวัลต่างๆแสดงว่าเราต้องเคยสร้างเหตุแห่งทรัพย์สินมาตั้งครั้ ง, งในอดีตอย่างเช่นเราอาจจะเคยให้ทานหรือทำบุญเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นมาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ก็ไม่แน่นอนหรอกการได้ทรัพย์สินมันมีวิธีได้มาหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอดีตทลายหรอกขอให้เราเออรู้ว่าทรัพย์สินที่เราได้มามันผิดหรือถูกก็พอถ้ามันถูกก็ก็ใช้ได้ถ้ามันผิดก็อย่าหามาเพราะมันจะมีโทษตามมาต่อไปเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลา